ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประโพธิญาณได้ํำเสนอเบขาบารมีมาถึงข้อที่เรียกว่าพรหมิหารูเบขาคือการวางใจเป็นกลางต่อสัตว์ทั้งหลายด้วยไม่ปล่อยจิตให้มีอาคาติด แต่ก่อนที่จะแก้ตรงนั้นมันไปแก้ที่ความยินดียินร้ายก่อนคือหมายความว่าเรามองคนให้เป็นสักโกนให้ได้แต่ก่อนคล้ากับครูที่มองนักเรียนเป็นนักเรียนทุกคนแล้วเมื่อถึงคราวสอบเราก็ตรวจคำตอบของเธอเราไม่ได้ตรวจเธอแต่ตรวจที่คำตอบของเธอเธอตอบถูกเราก็ว่าถูกตอบผิดเราก็ว่าผิด ซึ่งคนที่คะแนนน้อยเกรดต่ำหรืออาจจะตกไปเลยตรงซ่อมเนี่ยเราจะเป็นลูกหลานเราก็ได้แต่ในขณะนั้นเราทำหน้าที่ตรวจข้อสอบเราไม่มีหน้าที่สวดคนตราบใดที่เรายังคิดเป็นคนอยู่เนี่ยไม่ได้มันจะต้องคิดถึงกรรมและเราจะวินิจฉัยได้ สมมติอย่างนี้นะฮะสมมติง่ายๆว่าเราให้คนเขียนเรียงความมาให้เราอ่านคนละหน้านะแล้วเราอ่านเราเราไม่รู้ใครเขียนเลยแล้วเพื่อให้ชัดเจนก็คือให้พิมพ์ดีดมาเขียนอาจจะมีคขาจํลายมือได้ให้พิมพ์ดีดมาแล้วเราก็อ่าน เราจะวินิจฉัยไปตามข้อความตรงนั้นหรือไม่ดีภัยระไม่ภัยรบสลละสลวยไม่สละสละสลวยกระชับไม่กระชับก็อธิบายไปตามนั้นแล้วคนหนึ่งได้รับการยกย่องอย่างดีต่อมารู้ว่าไอาคนนั้นกลายเป็นเด็กที่เราไม่ชอบหรือเป็นคนที่เราไม่ชอบเราก็ทำใจมุติตาได้ เพราะอะไรเพราะว่าเราดูที่กรรมคือการกระทําของเขาแล้วคนที่ตกก็เป็นลูกหลานของเราเราก็ทำเจ้าเบคาได้เราก็ปไปทํากรรมของเธอเราสวดการเรียงความของเธอเราไม่จวจเธอดังนั้นท่านจึงบอกว่าอุเบกานั้นมีสัตว์ที่ประสบผลกรรมเป็นอารมณ์ ทีนี้ผลกรรมมันก็มีสองผลกรรมกรรมที่เป็นกุศลกรรมที่เป็นอกุศลตามปกติแล้วเนี่ยมันพื้นฐานเดิมนะมันก็กลับไปที่เดิมคือยินดียินร้ายบางก็กลายเป็นเราเป็นเขารู้สึกรักชังต่อคนแต่จากความรู้สึกรักชังต่อคนเนี่ยเวลาไปมองที่กรรมเขา ถ้าเรารู้ว่าใครทำมันมีปัญหาเลยมันมีปัญหาในด้านที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกคือใช้แนวอัตตวิสัยคือใช้ตัวเองเป็นศูนย์วันนี้ลูกเราวันนี่ล้านเราเลยแก้ต่างให้เลยพราะมันก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องความรู้สึกยินดีนยินร้ายดังกล่าวแล้วก็ทำใจให้เสมอกันในคนเรา พอถึงจุดหนึ่งถ้าเขาดีเราก็ยกย่องถ้าเขาไม่ดีเราก็ตาหนิมันอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังนะว่ามันเหมือนเรารับประทานอาหารมีอาหารบางอย่างขนมบางอย่างมันอร่อยเราก็ชมว่าอาหารนี้อร่อยขนมนี้อร่อยแล้วพอต้องการจะดูตัวคนขึ้นมาเนี่ยคนที่ทำอร่อยเราอาจจะ ไม่ชอบเขาก็ได้คือไม่ชอบเขามาก่อนก็ได้แต่ว่าจริงๆเนี่ยเราพูดถึงขนมเขาไม่จะพูดถึงเขาไม่ได้เกี่ยวข้อสวยไม่สวยแก่หรือสาวไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเราพูดถึงขนมแต่นั้นเองแล้วถ้าเขาทําดีจริงๆเราก็ยกย่องๆเขาผลกรรมเนี่ยมันก็มีอยู่สองกรรมคือว่ากรรมที่เข้าประสบความสําเร็จตั้งตัวเป็นหลัก เป็นฐานอยู่ยั่งยืนถาวรไปแล้วเราก็วางใจเป็นกลางใกล้ๆกับพ่อแม่ที่มีลูกตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานเป็นผู้ใหญ่ครอบครัวหนักแน่นมั่นคงแล้วพ่อแม่ก็วางใจได้ไม่ต้องไปเยี่ยมไปเยือนอะไรแล้วนานๆก็ถามขา่าวสักครั้งหนึ่งถึงมันผิดกับพ่อแม่ที่ลูกที่ติดคุก ตั้งแต่ปศสองพังหนึณงร้อยสี่ถึงห้าร้อยี่สิบเนี่ยมาจะหนักอยู่ทางคุกนี่มากอารมณ์นักโทษนี่เยอะมันเข้าใจซึ้งอย่างหนึ่งถึงน้ำใจของพ่อแม่เราจะพบคนแก่ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะมาเกาะลูกกรมมานั่งรออยู่ทางเช้ามืดเนี่ยเจอแล้ว มันทีราชการก็ยังไม่เปิดเลยคนลุงคนป้าก็ามาแล้วนั่นแสดงว่าคนเหล่านั้นมันตกอยู่ในความทุกข์ท่านจังเกิดกรุณาแต่มาแต่ว่าลูกที่ตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานอยู่ดีมีสุขแล้วเนี่ยท่านก็อุเบกขาคือวางใจเป็นกลางได้ทำใจสงบได้ ทีนี้ในบางการณีเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกที่ที่ทาชั่วทําผิดจนถูกสารตัดสินเนี่ยสมมติว่าสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยการเยี่ยมเยียนด้วยความกโกรนานั้นทำได้นะมันอยู่ในกรอบที่ทำได้แต่ถ้าเกิดล้ำเส้นคือทำด้วยอาคติจ้างคนขึ้นมาระเบิดคุกแล้วนำลูกแขกคุกอันนี้เห็นไหม มันเป็นการุณาไม่ได้มันไม่ได้เป็นกรุณาจะเป็นอคติคือรักลูกจนหลงและทีนี้ลากกันติดคู่เป็นแถวเลยนั่นในกดตัวนี้มันการมองถึงกรรมเป็นกรรมของเขาเขาเป็นไปตามกรรมของเขาถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็คงต้องเป็นอย่างนั้นด้วย ถ้าเราทำอย่างนั้นเราก็เป็นอย่างนั้นด้วยเพราะงั้นเมื่อลูกหลานเราหรือใครก็ตามนะตรงนี้มันเป็นการปฏิบัติธรรมสมมติว่าคนนั้นเราไม่ชอบเขาติดคุกแล้วเราจะรู้สึกสะใจแล้วมันได้อะไรเห็นไหยสุขภาพใจเราก็เสียคุณธรรมเราก็ลดเราก็ตกต่ำลงไปแล้วาญาติพี่น้องที่เรารักมากๆแล้วก็เกิดต้องติดคุก พระการกระทําของแกเนี่ยถ้าเราจะไปเสียใจก็แสดงว่าเพิ่มคนติดคุกขึ้นสองคนคนหนึ่งก็ติดคุกทางกายคนหนึ่งก็ติดคุกทางใจถามว่าคุกใจกับคุกกายเนี่ยอะไรทุกกว่าใจคุกกว่านะฮะทุกใจแอบคุกใจเนี่ยทุกกว่าเพราะนั้นก็มองในแง่ของกรรม มันเป็นการทำเท่าที่ทำได้ช่วยเท่าที่ช่วยได้เยีย่ยมเยน็นเจ็บไข้ไม่สบายาเกินมาเงินมาให้ช่วยหมอช่วยรักษาอะไรแต่ละก็ทำไปนะแต่ไม่ใช่ช่วยออกจากคุกคือคือธรรมะข้อ น, นี้ให้ลองสังเกตว่ามันเราใช้ข้ออื่นไม่ได้เลยเช่นสมมติว่าลูกเขาติดคุก พอไปฆ่าคนตายลูกหรือญาติหรืออะไรก็ตามคนที่เรารักกันนะเราจะเมตตาให้เขาอยู่ดีมีสุขในคุกมันก็ไม่ได้พอกรุณาจะช่วยเขาหลุดพ้นจากคุกยิ่งยุ่งใหญ่เลยทีนี้ผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมผิดผิดหมดเลยแล้วเราเองก็ติดคุกด้วยจะมุทิตาไปแสดงความยินดีกับลูกที่ได้ติดคุกยิ่งไปใหญ่ทําไม่ได้ เพ่อนตัวนี้คือทำใจเป็นอุเบกขาเป็นการมองในแง่ของของกรรมอย่างที่เราสวดเวลาแผ่พรงมิหารสี่นะครับสเบสตากรรมสกากรรมดายาดากรรมโยนิกรมบันทุกรมรมปฏิสารณาอยกรรมังกริสามิกันิาังนวภาพัง ว, งวัตสดายาดาปวิสามิแปล ว, ว่าคนเรามีกรรมเป็นของของตน จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมอะไรกรรมที่เราทํานะฮะใครทํำคนนั้นเป็นคนรับและจริงๆในแง่จริงๆเนี่ยเราแบ<ม>่งเบาอะไรไม่ได้นะเช่นสมมติว่านั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็เพื่อนไปกินอาหารเอ่อเป็นพิษเข้ามาเราไม่ได้กินนะประเดี๋ยปรากฏว่าเพื่อนท้องทไายปวนไปหมดเลยต้องเข้าโรงพยาบาลต้องอะไรต่ออะไรเราก็คงช่วยเหลืออื่นนะฮะ แต่ช่วยถ่ายแทนไม่ได้ช่วยปวดแทนไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้เพราะั้นตรงนี้มันการุณาได้นะแต่อุเบขาไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็เราไปรับกรรมตรงนี้แทนเขาไม่ได้เราก็เป็นไปตามกรรมของเขาเพราะนตรงตรงนี้ที่จริงเป็นบทที่น่าสังเกตว่าเท่าที่พบนะอย่างนี้ทุกทีไปแจ้งคำตอนนี้ กรรมสุโกมหิคนเรามีกรรมเป็นของกองโจรจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเพราะเมื่อเขาทํากรรมอย่างนั้นก็สมควรแก่กรรมของเขาไม่โทษใครแต่ถ้าเราเกิดสับสนเราไม่ได้เพ่งมองพินิษพิจารณาดู เราอาจจะไปสะดอกเคราะห์เราอา จ, จะพรมน้ำมนต์เราอาจจะอะไรแล้วเพื่อจะแก้ไขเรื่องแบบนั้นมันก็ตั้งปัญหาถามมามันจะได้หรือนะถ้าหากว่าน้ำมนต์สามารถแก้ไขได้เคราะ์สมบัติสะดอกเคราะสะมบัแกะะ้ไขได้หรือบนบานสารกล่าวปิดทองอะไรต่ออะไรเนี่ยช่วยได้ก็เลยคนก็ไม่ต้องรับผลกันเพราะสิ่งเหล่านี้จึง ไม่มีอื่นดีไปกว่าการทำใจให้สงบแล้วก็ช่วยอะไรก็เท่าที่ช่วยได้อย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวคือยินดียินร้ายมาเป็นเครื่งองมือเพราะถ้าเราใช้ความรู้สึกส่วนตัวเป็นการยินดีเนี่ยต่อคนซึ่งกระทำกรรมชั่วหมายความบางคนเนี่ยเรารักเขาเราจะเป็นทุกข์เพราะเขาติดคุก แต่ถ้าเรายินรายเพราะคนซึ่งเราไม่ชอบต้องติดคุกเราก็เป็นทุกขนะ์กลัวมันจะรอดมากลัวจะหลุดมาเร็วเกินไปกลัวจะมาเป็นอันตรายอะไรต่ออะไรก็ว่าไปนะมันไม่ได้เรื่องอะไรเพราะธรรมะเนี่ยหลักการสาคัญว่าการปิบัติธรรมะนั้นมีความสุขเป็นผลมันอยู่ที่การทําใจเฉย เวลาเนี้ยมีมีเรื่องทีหน้าก็าขั้นง้ายน่ารังเกียจต่ทําไปนะฮมันออกจะโอ้อวดมากไปหน่อยสํานักปฏิบัติธรรมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรแต่ใดทําไมจะต้องตั้งว่าสานักปฏิบัติธรรมทาไมจะต้องบอกคนอืน่นมนุษย์เนี้ยที่จริงปฏิบัติธรรมทั้งนั้นนะ พอดีมันทำมันมีสามอย่างนั่นเองกุศลนะกุศลกลางๆเพราะฉั้นในแต่ละขณะนี่เราไม่ทำดีก็ทำชั่วไป่ทำชั่วกว่ากลางๆมันไม่มีการกระทำเป็นประเภทที่สี่มันไม่มีอ่ะมีแค่สามประเภทแต่นั้นเองจะแตกต่างกันก็ในด้านของคุณภาพความเข้มข้นของการกระทำเหล่านั้นดีมากดีน้อยไม่ดีมากไม่ดีน้อยหยาบกลางละเอียดอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคนเราก็ปฏิบัติทำอยู่ตลอดนะนะ ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปขีดเขียนเป็นการโปรโมทตัวเองประชาสัมพันธ์ตัวเองมีลักษณะโอ้อวดลักษณะโอ้อวดและบางครั้งบางคราวเราก็อึดอัดเช่นรับการรัตนานิมน์ไปบัญญายอบรมพระวิปัสสนาจารย์ถามว่าความรู้เท่าไรบว ก, กี่พรรษาคำตรียังไม่ได้เลยพระองค์ได้นำตรีเป็นวิปัสสนาจารย์ได้อย่างไง เป็นอาจารย์วิปัสสนากรรมาฐานนะฮะเป็นอาจารย์ได้ยังไงคือบางทีเนี่ยมันมันเกินเหตุเกินผลไปนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเราละเลยปัญหาข้อเท็จจริงก็เป็นอาการลำเอียงอย่างหนึ่งตัวเองไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นแต่พยายามให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นอย่างที่เราต้องการให้คนอื่นเข้าใจว่าเราเป็นทั้งทางแต่เราไม่เป็นอย่างนั้น นั่นก็คืออาการลำเอียงเพราะลำเอียงก็จะออกมาในรูปของการไม่ใช้เหตุผลแต่ใช้อารมณ์ใช้อารมณ์อะไรใช้อารมณ์ความรักกันไปการสวดตัวพยายามแก้ต่างพยายามอธิบายนะฮะพยายามบรรเทาความชั่วความผิดของบุคคลตนนั้นทีนี้บางครั้งเนี่ย มันก็ใช้อำนาจของความไม่ชอบอย่างที่ภาษาจีนก็ใช้คําว่าคนไม่ผิด่ผิดที่มียกติดตัวหมายความมันในแง่ของความจริงที่แท้จริงคนเหล่านั้นไม่ได้ทำชั่วทําผิดอะไรแต่พอดีเราไม่ชอบเขาเพราเขาถูกตัดสินว่าผิดแต่นั่นเองก็ละเลงเสเล่เลยทั้งๆที่ในแง่ของความเป็นจริงเขาไม่ได้ผิด เพราะในแง่สังคมเนี่ที่จึงพูดยากนะหลายวันมาแล้วรู้สึกต้นเดือนมิถุนาเนี่ยมันมีประกาศใพาดหัวตัวค่อนข้างโตที่วิบจบับหนึ่งเกจิอาจารย์ถูกจับยาเถื่อนก็ของวิทยุก็ตกใจนะว่าเป็นใคร ขนาดเกจินี่คงไม่ใช่เด็กนะอ่านดูก็ปรากฏว่าเป็นพระที่รู้จักกันก็เป็นศูนย์ฝึกอบรมพระอยู่ที่นครสวรรค์เป็นพระที่ทำงานดีมากคงหนึ่งแถบอะไรล่ะริมถนนเอเชียนะฮะโดยเช่นว่าริมถนนเอเชียเนี่ยมีวัดอัมพวันแห่งหนึ่งและก็วัดคีรีวงใ์แห่งหนึ่ง ที่ทำงานเป็นประโยชน์กว้างใหญ่ไพศาลมากเก็เป็นห่วงก็โทรไปเช็คตูสอบถามดูมันเรื่องอะไรปรากฏเป็นเรื่องยาสมุนไพรมองเอา้าจะจับยาสมุนไพรเถื่อนมันก็จับกันได้ทั่วประเทศเลยอันนี้คือปัญหาว่ายาสมุนไพรเนี่ยมันมาก่อนยาไทยไม่ใช่ยามาก่อนยาหลวงมาตั้งแต่โบราณและกฎหมายมนันบัญญัติตามขึ้นมาทีหลัง ทีนี้ก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็เคยไปอบรมที่นั้นอยู่เยอะเพราะว่ากิจกรรมของกรมการตานาอบรมธรรมทูตอบรมผู้ช่วยชา ว, วาดอะไรแต่ใดนี้ก็รวมที่นั้นแล้วก็ไปเจอญาติโยมมาขายยาเนี่ยเยอะเลยบางทีเขก็ให้มาเราก็ไม่ว่าอะไรรับมาแล้วก็ไม่ได้ฉันหรอะในกรุงเทพก็เยอะไปยาอย่างเงี้ย น, นั้นเรยเห็นทัดเจนว่าเป็นข่าวที่เสนอด้วยอคติ การเลือกการปฏิบัติหรือถ้าจะเสนอเพื่อให้แก้ไขมันก็ต้องเสนอกันทั้งหมดแล้วก็น่าจะทามาจากข้างใ น, อง น, นเออมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยทำยังไงจะถูกต้องตามกฎหมายด้วยแล้วก็ญาติโยมในพึ่งพาอาศัยด้วยมันก็ต้องจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียเพราะมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องอื่นมันมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเท่านั้นเอง ทีนี้ตรงตรงนี้ยถ้าถ้าหากว่าจะจับกันนะก็ยังนึกว่าแถววัดต่างๆ่างก็คือเราเห็นมีมีมีเยอะนะฮะพวกยาเหล่าเนี่ยพวกยาสมุนไพรเพราะว่าสังคมเราสังคมไทยชนบทเนี่ยมันมียาสมุนไพรยอยู่เยอะเลยหลวงพ่อหลวงปู่บางองค์เนี่ยนะท่านอยู่กรุงเทพแล้วท่านไม่เคยฉันยาหลวงเลยท่านฉันยาสมุนไพรคว้าตะลอยโจรมัง่งอะไรตะไรมั่งท่านก็ฉันกันนั่นก็อยู่กันจนท่าจนแก่ ไอ้ น, นี่คือคือถ้าเรามองกันด้วยความไม่เป็นเราเป็นเขาว่านะก็น่าจะแก้ไขมาจากข้างในแจะทําให้มันถูกต้องเสียเพราะว่าทําลายอย่างนั้นแหละมันมันมั น, ม, นมันได้อะไรขึ้นมาคือภาพของพระเองก็เสียแล้วท่านก็จะเป็นหลักให้แก่หมู่คณะพอมันเสียแล้วก็เสียเลยนะ ถ้าเราขึ้นอยู่ระดับรองจังจังหวัดอย่างนั้นถ้าเกิดพลาดขึ้นมาก็ลำบากแต่ถ้าพอดูข้อมูลแล้วมันก็ไม่มีอะไรอะเพราะว่าอย่างนี้มันทั่วไปในบ้านในเมืองในในประเทศไทยนี่ไม่ใช่ไม่ประเทศไทยในกรุงเทพเนี่ยลองไปดูตามวัดต่างๆเนี่ยก็มียาเยอะก็จำนายขายกันอยู่ใครขายบ้างก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่ว่านิ่งๆครุมครามก็ไปจับแล้วก็ไปพลาดหัวอย่างนั้น มันก็ขาดอะไรคือขาดความรู้สึกเมตตาขาดความรู้สึกกรุณาที่เป็นฐานขาดความรู้สึกมุติตาไปตามต้องควรแก่กาละท้านอุเบกขานั้นจึงมองไปที่กรรมทีนี้ในกรณีกรรมทั่วไปอย่างนี้เลือกปฏิบัติไม่ได้ถ้ายัางเลือกปฏิบัติอยู่ก็ไม่ใช่อุเบกขาจริงเป็นอุเบกขาเทียมทีนี้ถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องปล่อย ก็ต้องปล่อยไปดำกับมันมีเรื่องไป น, น้นมากนะฮะที่นอกวิสัยมีอะไรข่าวคราวบางทีวันกอ่อนเนี่ยมีใครก็ส่งกล่องมาให้เปิดดูเป็นประจัยบิดอกเล่มที่หนึ่งนะแล้วก็มีหนังสืออะไรสวดมนต์ของสำนักอะไรโลคุตระกับวัดแถววัดปรินายกเนี่ยเก็เปิดดูไม่เห็นมีอะไรเออมันน่าจะบอกอะไรกันมาบ้าง ว่าต้องการจะให้ทําอะไรต้องการจะชี้แจงเรื่องอะไรทีนี้สมมุติว่าต้องการจะให้ไปแก้ปัญหาเนี่ยเราแก้ไม่ได้เพราะเราไม่มีอำนาจหน้าที่นะแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าช่วยเสนอกรมการศาสนาอะไรอะไรบอกที่ไหนเราก็บอกให้ได้ในการทําใจเป็นอุเบกขาเนี่ยมันต้องมองไปที่การกระทําของเขาดังกล่าวแล้วก็อย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวรู้สึก รักก็ตา ม, ตามรู้สึกชังก็ตามรู้สึกกลัวนะค่อนข้างเป็นปนัญหาใหญ่คือความกลัวเนี่ยมันทําทให้คนเนี่เสียศูญเสียหลักหมดปัญหาที่ควรจะแก้ไขได้ก็ไม่กล้าแก้ไขเพราะกลัวก็จะโกรักลัวก็จะเสียใจคือปัญหาว่าเราอยู่ในจุดไหนล่ะสมมติเราเป็นผู้บริหารและกลัวเนี่ยมันไม่ได้ครับอะไรคือความถูกต้องมันไม่ใช่บริหารด้วยความถูกใจอะไรคือกฎเกณฑ์ ในการตัดสินวินิจฉัยต่างๆอย่างเวลานี้ยเราลองสังเกตว่าคนไม่กี่คนนะฮะไปสร้างความไม่ถูกต้องขึ้นในบ้านในเมืองแล้วก็ยอมสยบกันเป็นแถวเลยคนเหล่านี้ก็เกิดกลายเป็นอภิสิทธศชนไม่ต้องทำมาหากินอะไรมีอยู่มีกินมีใช้ใหญ่โตนะว่องว้างก็เดินพาเหรดเข้าไปไประชุมในทําเนียบได้เลยนี่คือแสดงว่ามันเป็นพยาคติ มันไม่ไะมองที่กรรมของเขาความบ อ, อกความควรเนี่ยมันก็ต้องมองที่กรรมของเขาหรือบางทีเนี่ยไม่รู้อะไรไม่รู้เหตุรู้ผลอะไรก็ เ, เรียกโมหะกติมันก็เหมือนกับที่เราเอาเรื่องอะไรล่ะพระอาจารย์บัวมาพูดหนึ่งคือประเด็นนิดเดียวเนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือนี่ประเด็นนิดเดียวต่เดง คือเจตนาเดิมของท่านแล้วก็เป็นเจตนาที่ต้องการรักษาไว้ตลอดไปเนะี่ยคือเอาเงินทั้งหมดที่ได้จากพระป่าอะไรเนี่ยมหากุศลในพระพระป่าเลยพระป่าช่วยชาติเนี่ยเป็นเงินเขาเรียกว่าอะไรเงินคงครังท่านบอกว่าเป็นเงินเข้าท้องพระครังหลวงเป็นภาษาโบราณเนาะหน่อยนะฮะก็ที่จริงก็ไม่ต้องไปเสียแซงออกไม่เข้าใจหรอกพระครังหลวงก็คือพระครังหลวงอะ่ะ เงินประครังหลวงก็คือเงินประครังหลวงเบ็เงินถุงแดงสมัยรายการที่สามอะไม่ต้องไปพูดมากหรอกไปอ้างว่าไม่เข้าใจไม่มีคํำนี้อะไรแต่ไหนมันก็คํานี้ก็เรียกมาตั้งนานแล้วไอ้นี้ก็คือคืออะไรว่าถ้ารักษาเจตนาลมตรงนั้นเอาไว้เราเข้าใจว่าท่านต้องการรักษาเจตนาตรงนี้เพระถ้าไม่เป็นไปตามนี้เนี่ยท่านก็กลายเป็นคนโกหกชาวบ้านอย่าลืมนะฮะมันเป็นสัญญาประชาคมอยู่ เพราะประชาชนเขารู้อย่างนี้เขาจึงได้บริจาคไม่ใช่บริจาคมาให้จ่ายแต่บริจาคไป ร, รักษาสถานภาพมันจะมากหรือน้อยก็ตามแหละแต่ว่าเป็นพลังศรัทธาของประชาชนซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้ซ้ำไปนะทีนี้ถ้าเรารักษาได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องถกเถียงกันแต่เสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ทบทวนตัวเนื้อหาสาระ เราก็ใช้โมหะคติในการในการวิพากษ์วิจารณ์บางทีก็ไปกระทบถึงหลวงปู่อายุตั้งแปดสิบกว่าแล้วนะมันไม่ได้เป็นมงคลอะไรเรามันก็เป็นอภิมงคลเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาให้ชัดเจนมันก็กลายเป็นความลําเอียงอย่างีนะฮะมันไม่ใช่อุเบกขาแล้วไหมมันเป็นความลําเอียงแหละลำเอียงด้วยโมหะคติหรือบางทีนี่อาจจะเป็นโทสาคติก็ได้ก็แล้วแต่ ดังนั้นธรรมะข้อเนี้ยมันมาจากพื้นฐานของเมตตานะเป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวกับคนจะบวมมาถึงตรงนี้มองไปที่กรรมของเขาต้องฟังทั้งหลงายใต่โลกพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นคำนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง อ, อกงามไพบูรในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี